Thank you.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 พระสุเมธโธเนี่ยมาพบกับหลวงพ่อชาแล้วก็ต่หลังก็ปฏิบัตินะอย่างจริงจังเป็นพระฝรั่งรูปแรกนะของสำนักหนองปะาพงซึ่งตอนหลังก็มีพระฝรั่งตาไม่มากมายนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นร้อยแล้วนะอาจจะเรียกว่าหลายร้อยก็เริ่มต้นที่อาจารย์สุเมธโธนี่แหละอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระสมมาตที่ว่ า, อาพอบวชไป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 ก็ไม่มีซูเมโตก็จะไม่ได้มาที่หนองปลาพงการตักเตือนของหลวงพ่อชาก็ทาให้อาจารย์เมโถได้คิดนะแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติต่อหลังก็เรียกอาจารย์สมหมายทุกครั้งเลยม่ภายหลังเนี่ยสมหมายคนนี้ก็ติดเล่ามากจนทั้ทงเป็นโรคสุราเรื้อรังแล้วก็ฟั่นเฟือน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 แกก็จะเริ่มได้สติขึ้นมาแต่ว่าได้สติไม่นานก็กลับมาฟั่นเฟือนใหม่พอตายเนี่ยอาจารย์สุมเมธหลวงพ่อชาก็แนะให้อาจารย์สุมเมโทเนี่ยอุทิศบุญกุศลให้นะเวลาทำความดีปฏิบัติทำแะไรก็อุทิศบุญกุศลใหนะ้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณนะแต่หลังอาจารย์สุมเมโทเนี่ยก็ได้พูดถึง นายสมหมายคนนี้นะว่าเนี่ยอาจารย์สมหมายเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับอาตมามากนะพาอาตมานี่มาพบกับหลวงพ่อชาอาจารย์มาก็จึงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณนะอาจารย์สมหมายจะศึกษาลาเพศจนกลายเป็นขี้เล่าอย่างไรเป็นเรื่องของท่านแต่หน้าที่ของอาตมาน้าที่ของพระสุเมทรก็คือกตัญยูรู้คุณท่านตอบแทนบุญคุณของท่าน อันนี้น่าสนใจนะเป็นพระเนี่ยก็ยังสำนึกในบุญคุณของคนที่เป็นขี้เหล้าเมายานะแล้วก็สติฟั่นเฟือนที่อาจารย์สุมเมโธพูดน่าสนใจมากนะที่บอกว่าท่านจะเมาเล่านะขี้เหล้าอย่างไรเป็นเรื่องของท่านแต่หน้าที่ของธรมาคื อ, อกตัญญูรู้คุณท่านตอบแทนบุญคุณของท่านคือ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 ถ้าเราไม่ทําความดีเราก็ต้องรับกรรมของเราถ้าเราไม่อยากรับวิบากที่เป็นอกุศลเราก็ต้องทําความดีนะเป็นหน้าที่ถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องทําความดีอย่าทำความชั่วแต่คนจํานวนมากเนี่ยไม่ได้คิดแบบนี้นะก็จะคิดว่าเนี่ยเขาทําไม่ดีกับเราเพราะฉะั้นเราก็ต้องทําไม่ดีกับเขาบ้างเรียกว่าเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาปาปนเขาทําไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขานะส่วนเรื่องของเราคือทําความดีเพราะมันคือหน้าที่เพราะเป็นสิ่งที่ เหมาะสมถูกต้องแยกแยะให้ดีนะเป็นเพราะคนเราแยกแยะไม่เป็นนี่แหละนะเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราเนี่ยก็เลยทำอะไรก็ไม่ถูกต้องหรือบางทีก็ทำร้ายตัวเองอย่างเช่นเวลามีคนทำไม่ดีกับเรานะถ้าเราโกรธนะเราก็ทุกเองเราต้องรู้จักให้อภัยถึงแม้เขาจะเบียดเบียนเราอย่างไรก็ตามเพราะถ้าเราโกรธ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 ก็จะมีคนเนี่ยมาปรึกษาเอาปัญหาชิดมามาเล่าให้อาจารย์กำพลฟังคนที่มาปรึกษานี่ก็อาการก็ครบ32นะไม่ได้พิการตรงไหนไม่ได้ป่วยตรงไหนนะแต่ว่ามีความทุกข์มากก็มัฟชอบมาปรึกษาอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลก็สามารถจะให้คําแนะนําแล้วก็หน้าตาก็ยังแจ่มใสทั้งๆที่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 นะถ้าเขามีถ้าเขาเคยมีบุญคุณของเราหน้าที่ของเราคือกรตันอยู่รุกคุณเขาตอบแทนบุญคุณของเขานะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคือว่าอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเรานะเรื่องของใครก็เรื่องของมันนะเราไม่ลืมหน้าที่ของเรานะที่ควรทําแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมนี่เราละเลยนะเออถ้ามันเป็นเรื่องส่วนรวมนี่เราละเลยไม่ได้เราก็ต้องทําต้องรับผิดชอบนะอันนี้ต้องแยกแย้ายถูกนะ